พร้อมผู้ติดตามอีกประมาณสิบคนมาขอเข้าพบคณะผู้ติดตามรัฐมนตรีล้วนเป็นนายตำรวจตั้งแต่ยศพันตำรวจตรีถึงพันตำรวจเอกคนหนึ่งทำหน้าที่หิ้วกระเป๋าถือให้คุณหญิงเป็นกระเป๋าหวายคลิปทองลักษณะกร้ายตะกร้ามากของคนสมัยก่อนแต่ใบเล็กกว่าและลวดลายละเอียดประนีตกว่า ผู้ใดรู้ราคาของกระเป๋าใบนี้จะต้องตกใจเพราะคุณหญิงซื้อมันมาด้วยราคาที่สูงถึงสองพบาทซึ่งเงินจำนวนนี้ซื้อทองหนักหนึ่งบาทกับหนึ่งสลึงได้อย่างสบายๆเสื้อผ้าอภรท์ที่คุณหญิงสวมใส่นั้นบ่งบอกถึงความเป็นผู้มีรสนิยมสูงซึ่งแน่นอนและเกินว่าราคาจะต้องสูงตามไปด้วยหากคิดเป็นเงิน ก็คงจะเอามาสร้างกุฏิกรรมาฐานได้นับสิบหลังทีเดียวใบหน้าของสตรีวัยห0ถูกตกแต่งไว้อย่างตั้งใจจะให้สวยงามทั้งลงพื้นวาดแผนที่ทาสีและแลงเงาแต่ก็ไม่อาจปิดบังความร่วงรยแห่งสันขานไว้ได้ถ้าทางคุณหญิงดูถือตัวและไม่เป็นมิตรกับใคร ครูบุญมีมองปาดเดียวก็รู้สึกไม่ถูกชะตาแอบค้อนว่าในใจโธ่เอ้ยกะอีกแค่กระเป๋าใบเดียวก็ต้องมีคนถือให้คณะผู้มาใหม่ทำความเคารพท่านพระครูพระบวัวเหวียวแอบสังเกตว่าเห็นคุณหญิงกราบเบญจงข้ประดิษฐ์ไม่เป็นครูบุญมีสังเกตเห็นเช่นนั้นก็เลยเกิดความรู้สึกไม่ชอบหน้าหนักขึ้นไปอีก จเจริญพรท่านรัฐมนตรีไปยังไงมายังไงถึงได้มาถึงที่นี่ได้ท่านพระครูทักทายได้ยินข่าวลือกันว่าคนนี้แหละที่จะนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนต่อไปกระผมได้ยินกิติศัพท์ของพระคุณเจ้ามานานบังเอิญมาทุระแถวนี้ก็เลยแวะมากราบท่านครับรัฐมนตรีตอบ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 ความจริงเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของทางโลกอาตมาเป็นพระสงฆ์ก็ไม่อยากออกความเห็นแต่เอาเถอะไหนๆท่านก็ถามแล้วอาตมาจะขอตอบว่ามันเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมคราวนี้แหละคนจะได้เชื่อกันสักทีว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วยังยังไม่จบเพียงแค่นี้หรอกจำคำพูดของอาตมาไว้นะักครูใหญ่นะ ท่านหันไปพูดกับครูสลิดถ้าไม่เชื่อกลับมาถึงบ้านแล้วจดบันทึกไว้เลยว่าวันที่เท่านี้เดือนนี้พอสอนี้อาตมาพูดว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วถ้าไม่จริงตามที่อาตมาพูดให้มาปรับอาตมาได้อาตมาจะให้ปรับสองหมื่นบาทท่านพูดยิ้มยิ้มนะักครูใหญ่นะครับ รูใหญ่รับคำด้วยไม่รู้จะพูดอะไรให้ดีไปกว่านั้นดีแล้วเอาละอัตมาไม่ใช่หมอดูแต่ก็จะทำนายอีกว่าสามปีนับจากนี้ไปจะเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันกับวันมหาวิประโยคอีกและอีกสิบห้าปีคือปี2531จะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ขึ้นที่ภาคใต้น้ำจะท่วมถึงยอดตานวัดบ า, ารามจะพังพินาศ คนจะล้มตายเป็นจำนวนมากต่อจากนั้นอีกยี่สิบปีแผ่นดินจะถูกต่างชาติเขายึดครองคนไทยจะไม่มีแผ่นดินอยู่ทุกอย่างที่กล่าวมานี้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมอย่าลืมไปบันทึกเอาไว้ถ้าไม่จริงอัตมายอมให้ปรับนิ่งไปครู่หนึ่งจึงถามครูบุญมีว่าโยมเคยเห็นน้ําทะเลไหมเคยครับครูบุญมีตอบ ทะเลทรายล่ะไม่เคยครับท่านรัฐนตรีเคยเห็นทะเลทรายไหมเคยครับรัฐมนตรีตอบนั่นแหละปกติเราคิดว่ามีแต่ทะเลน้ำกับทะเลทรายแต่อีกส5ห้าปีจะมีทะเลส่งเป็นยังไงคะทะเลส่มคุณหญิงถามพลางนึกในใจว่าพระองค์นี้พูด บ, าบา้า แล้วก็ต้องสะดุ้งเมื่อท่านพระครูตอบว่าไม่บ้าหรอกคุณหญิงเอาเถอะถึงเวลานั้นคุณหญิงจะรู้เองว่าทะเลสุงเป็นอย่างไรคุณหญิงจึงแอบคิดต่อไปอีกว่าแน่เสือกรู้ซิเอกว่าเราคิดยังไงคราวนี้ท่านพระครูถึงกับอึง้งท้อยคําที่คุณหญิงใช้นั้นหยาบคายเกินกว่าจะยอมให้มันออกมาจากปากของท่าน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 ท่านสอนว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเอาละและทุกคนที่นั่งณที่นี้ก็จะได้ประจักษ์เมื่อเวลานั้นมาถึงขณะที่สนทนาท่านรู้สึกว่ารัฐมนตรีมีอาการกระสับกระส่ายจึงพูดขึ้นว่ารู้สึกว่ารัฐมนตรีจะมีอะไรพูดกับอาตมาสองต่อสองใช่ไหมครับผมอยากจะเรียนปรึกษาอะไรบางอย่าง ถ้อย่างนั้นก็เชิญข้างบนคนอื่นๆรออยู่ที่นี่ก่อนนะจะคุยกันหรือว่าจะนั่งสมาธิก็ตามใจพูดจบลุกขึ้นเดินนํารัฐมนตรีขึ้นไปข้างบนจัดแจงปิดประตูลงกรอนอย่างเรียบร้อยโดยรู้ว่าสิ่งที่รัฐมนตรีจะพูดนั้นเป็นเรื่องลับสุดยอดคุณหญิงย่องขึ้นไปแอบฟังอยู่ที่เชิงบันไดท่านพระครูรู้แต่รัฐมนตรีหารู้ไม่ อาคันตุกะ ก, กว่าสายตาสำรวัไปรอบๆห้องไม่มีสมบัติพัสถานอันใดนอกจากหนังสือซึ่งวางกองอยู่ที่พื้นห้องบ้างบนโต๊ะและในตู้บ้างห้องทั้งห้องจึงเต็มไปด้วยหนังสือมีที่ว่างเหลือไว้ให้คนนั่งได้ไม่เกินสี่คนและตรงนี้ก็คือที่นอนของท่านนั่งลงแล้วรัฐมนตรีจึงพูดขึ้นว่ากระผมมีเรื่องร้อนใจ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 ถามพระวัดไหนวัดไหนท่านก็ว่าดีทั้งนั้นมีแต่พระบ้าวัดนี้แหละที่ว่าไม่ดีรัฐมนตรีหน้าเสียเมื่อได้ยินเสียงแหวดของภรรยาท่านพระครูจึงส่งเสียงลงมาว่าสมชายเอ่ยช่วยดูหน่อยสิแมวที่ไหนมาร้องอยู่หน้ากระไดาทางขึ้นห้องฉันเด็กหนุ่มจึงเดินขึ้นไปพูดกับคุณหญิงเป็นเชิงขอร้องว่า คุณหญิงออกมารอข้างนอกเธอครับหากฝ่ายนั้นเชิดหน้าทำไม่รู้ไม่ชี้เหมือนไม่ได้ยินเสียงเด็กวัดพูดนายสมชายจึงตะโกนขึ้นไปว่าผมบอกแมวแล้วครับหลวงพ่อแต่แมวไม่เชื่องั้นก็ช่างแมวเธอเป็นเสียงตอบลงมารัฐมนตรีไม่กล้าออกมาพูดกับภรรยาด้วยเคยกลัวเคยเกรงกันมาแต่ครั้งอดีต ถึงในปัจจุบันก็ยังกลัวเกรงอยู่ก็มิใช่บารมีของคุณหญิงหรอกหรือที่ทำให้ท่านรุ่งโรดเรืองรองมาจนทุกวันนี้ที่พระคุณเจ้าว่าไม่ดีหมายความว่าไม่สำเร็จหรอครับแต่กระผมมั่นใจว่าต้องสำเร็จเพราะคุณหญิงเขาวางหมากเอาไว้หมดแล้วก็เพราะอย่างนั้นน่ะสิอาตมาถึงว่าไม่ดีพูดกันตรงๆเลยนะว่าท่านจะพังเพราะคุณหญิงนี่แหละ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 พูดอย่างรู้บุญคุณภรรยาถูกแล้วแต่ท่านอย่าลืมว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งผู้นำของประเทศท่านจะต้องเป็นผู้นำสูงสุดแต่ในความเป็นจริงนั้นตรงกันข้ามเพราะคุณหญิงสูงกว่านี่แหละมันจะวุ่นวายตรงนี้ท่านพอจะเข้าใจที่อาตมาพูดใช่ไหมอาตมาเป็นคนพูดตรงพูดอ้อมค้อมกับเขาไม่เป็นรับกระผมเข้าใจ แต่กระผมก็ยังอยากทราบว่าถ้ากระผมจะทำการปฏิวัติจะสำเร็จหรือไม่พระคุณเจ้าพอจะบอกได้ไหมครับบอกก็ได้ว่าสำเร็จแล้วท่านก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมความตั้งใจด้วยคนฟังอยู่ข้างนอกจิงค้านในใจว่าทำไมท่านว่าไม่ดีละ่ะพี่ลึกจริงแล้วก็ให้แปลกใจหนักขึ้นเมื่อเสียงข้างบนดังลงมาว่า ที่ว่าไม่ดีเพราะท่านจะเป็นได้ไม่ถึงสองเดือนก็จะเกิดยุ่งพวกนิสิตนักศึกษาเขาจะเอาเรื่องกับท่านจนท่านอยู่ไม่ได้แล้วท่านกับคุณหญิงจะต้องเดือดร้อนหาความสงบสุขไม่ได้เลยท่านตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันว่าจะเป็นรัฐมนตรีแล้วอยู่สบายๆหรือว่าจะเป็นนายกแต่ต้องเดือดร้อน ถ้าอย่างนั้นผมเห็นจะต้องปรึกษาคุณหญิงดูก่อนรัฐมนตรีตอบแบ่งรับแบ่งสู้ไม่ต้องปรึกษารอกอัตมาตอบแทนคุณหญิงได้เดี๋ยวนี้เลยว่าคุณหญิงต้องให้เลือกข้างหลังเพราะเขาไม่เชื่อที่อัตมาพูดคุณหญิงซึ่งแอบฟังอยู่รู้สึกทึ่งที่พระรูปนี้ช่างรู้ในใจของเธอไปเสียหมดทุกอย่างรัฐมนตรีคอตกไม่รู้จะเชื่อพระดีหรือว่าเชื่อภรรยาดี ก็ต้องเลือกเอาอย่างหลังเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าท่านไม่เชื่อที่อาตมาพูดอาตมาจะให้ท่านพิสูจน์โดยจะย้อนอดีตที่ผ่านมาว่าท่านทำอะไรผิดพลาดไว้บ้างและทีนี้ท่านจะเชื่ออาตมาหรือว่าจะเชื่อคุณหญิงก็สุดแต่แล้วแต่ท่านแล้วท่านพรักครูจึงเล่าเรื่องตั้งแต่อดีตของรัฐมนตรีที่มีคุณหญิงเป็นผู้บงการมาโดยตลอด คนที่นั่งฟังกับคนที่แอบฟังต่างยอมรับในใจว่าทุกเรื่องที่ผ่านมาท่านเล่ามานั้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักทั้งรัฐมนตรีและคุณหญิงเริ่มมีศรัทธาเลื่อมใสในผู้ที่ท่งศีลรูปนี้หากยังอดสงสัยไม่ได้ว่าเหตุใดพระอีกหกวัดที่เพิ่งไปพบมาเมื่อตอนเช้า จึงทำนายเป็นเสียงเดียวกันว่าดีมีวัดที่เจ็ดนี่แหละที่ผิดแพกไปจากวัดอื่นๆจะเชื่อหกวัดหรือว่าจะเชื่อวัดเดียวดีหนอท่านพระครูรู้ความคิดของคนทั้งสองจึงกล่าวขึ้นว่าพระที่ท่านไปพบมาทั้งหกวัดนั้น ท่านไม่ได้ทายผิดเพราะตอนนี้ไม่ว่าท่านจะไปถามหรือไหวถามหมอดูที่ไหนๆเขาก็ต้องบอกว่าดีทั้งนั้นอัตมาก็ว่าดีแต่มันดีเฉพาะตอนแรกๆเข้าตำราหัวมงกุฎท้ายมังกรขอให้เชื่ออัตมาสักครั้งเถอะอัตมามีความจริงใจไม่เคยแนะนาใครในทางที่เสียเมื่อเดือนที่แล้วก็มีนายพลท่านหนึ่งมาที่นี่ มาขอให้อาตมาช่วยท่านจาให้ปฏิวัติอยากเป็นนายกเหมือนท่านนี่แหละอาตมาดูแล้วเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ก็เรียนท่านไปตามตรงรู้สึกว่าคุณหญิงเขาไม่พอใจอาตมาหนางอเป็นม้าหมกกรุกกลับไปเลยท่านพระครูไม่เล่าดอกว่าคุณหญิงผู้นั้นก็ได้มาแอบฟังท่านคุยกับนายพลด้วย ไม่ต้องการให้คนที่กำลังแอบฟังอยู่ตรงเชิงบันไดเข้าใจผิดไปว่าท่านแกล้งพูดประชดพระคุณเจ้าไม่มีทางใดที่จะช่วยกระผมได้เลยเหรอครับคำถามของรัฐมนตรีช่างถูกอกถูกใจคุณจิงนักแต่คำตอบของท่านพระครูนันสิทำให้เธอต้องผิดหวังถ้าช่วยได้อัตมา ก, ก็ช่วยแล้วโดวยไม่ต้องรอให้ท่านออกปากเลย แต่นี่อาตมาช่วยไม่ได้จริงๆเพราะเรื่องกฎของกรรมไม่มีใครช่วยใครได้และกฎแห่งกรรมเนี่ยใครเป็นคนสร้างครับพระคุณเจ้าแม้จะเป็นถึงรัฐมนตรีหากก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางโลกเท่านั้นส่วนทางธรรมแทบจะเรียกได้ว่ามืดบอดกฎแห่งกรรมก็คือกฎแห่งเหตุและผลเหตุอย่างไรผลก็อย่างนั้นเหตุ ด, ดีผลก็ดี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 คำว่ากรรมนั้นแปลว่าการกระทำตามคําสอนของพระพุทธศาสนาการกระทำที่จัดเป็นกรรมต้องเป็นการกระทำที่มีเจตนาเป็นพื้นฐานเจตนาคือความตั้งใจหรือจงใจบางครั้งพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเจตนานั้นเองคือกรรมดังพุทธพจน์ว่าเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลตั้งใจแล้วหรือคิดแล้ว ย่อมกระทำกรรมทางกายทางวาจาหรือทางใจเรื่องกรรมเป็นเรื่องสลับซับซ้อนถ้าท่านสนใจว่าหลังจะหาเวลามาอยู่วัดสักเจ็ดวันมาคุยเรื่องกรรมกันต่ออัตมาเป็นคนชอบวิจัยได้รวบรวมเรื่องกฎแห่งกรรมที่เกิดขึ้นในวัดนี้ไว้เป็นร้อยๆเรื่องบางเรื่องก็แทบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ อย่างพระที่นั่งอยู่ข้างล่างนั้นก็มาขอแก้กรรมอาตมากำลังให้ฝึกเจริญวิปัสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสประโยคสุดท้ายทั้งรัฐมนตรีและคุณหญิงไม่เข้าใจว่าท่านพูดถึงอะไรมาจากไหนครับพระคุณเจ้าจากกาลสินมันก็แปลกนะท่านรัฐมนตรีเขาเล่าให้อาต ม, มาฟังว่า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 แต่ก็มาไม่ได้ในทันทีปีรุ่งขึ้นจึงมาน่าสงสารต้องชดใช้กรรมสาหัสสากันทีเดียวอาตมาก็ตั้งใจว่าจะช่วยเขาให้มากที่สุดก็ไหนพระคุณเจ้าบอกว่าเรื่องกฎแห่งกรรมช่วยกันไม่ได้ยังไงล่ะครับรัฐมนตรีท้วงขึ้นคนที่แอบฟังอยู่หน้าประตูกําลังคิดอย่างเดียวกันอาตมาหมายถึงว่า จะช่วยในส่วนที่พอช่วยได้เช่นช่วยแนะนาในเรื่องการปฏิบัติให้เขาแต่เรื่องกฎแห่งกรรมอาตมาไม่ได้อย่างแน่นอนเขาสร้างเหตุมาอย่างไรก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นถึงตอนนี้ทั้งสองคนในห้องและนอกห้องก็ถึงบางอ้อเอต่พระคุณเจ้าครับทำไมบางคนทำชั่วแล้วได้ดีล่ะครับ คนประเภทนี้เท่าที่ผมเห็นมีมากเสด้วยกระทั่งมีคนกล่าวไว้ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปแบบนี้ก็แสดงว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่จริงเสมอไปใช่ไหมครับก็อย่างที่อาตมาพูดไปเมื่อตะกี้นี่แหละว่าเรื่องกรรมมันสลับซับซ้อนเราจะมาตัดสินเอาเฉพาะที่เราเห็นนั้นไม่ได้ ว่ากันโดยหลักแล้วคนทำดีก็ต้องได้ดีคนทำชั่วต้องได้ชั่วแต่คนที่ทำชั่วแล้วได้ดีนั้นเพราะเขายังกินบุญเก่าคือมีความดีสะสมไว้มากอาจจะสะสมไว้ตั้งแต่ในอดีตชาติแต่พอบุญเก่าหมดเมื่อไรกรรมชั่วก็มาให้ผลส่วนคนที่ทำดีได้ชั่วก็เพราะกรรมชั่วที่เคยทำไว้ตั้งแต่ครั้งอดีต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 ต้องรอให้ทันลูกเสกกนจริงไหมจริงครับรัฐมนตรีตอบคนแอบฟังอยู่ก็เผลอตอบออกมาว่าจริงค่ะทีนี้ถ้าใครจะพูดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ชั่วมีถมไป ท่านก็ตอบเข้าไปเลยว่าทำดีได้ดีนั้นมีแน่ทำชั่วแต่ได้ดีมีที่ไหนที่ทำชั่วเห็นดีอยู่จงรู้ไว้มันเหมือนไฟใต้ฐานไม่นานร้อนกร่อนนี้ไม่ทราบว่าใครแต่งเอาไว้อัตมาเห็นเข้าทีก็เลยจำเอามาบอกกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำชั่วเลย เราก็ไม่ต้องไปรับผลของมันใช่ไหมครับถูกแล้วเหตุชนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนไว้ว่าถ้าท่านกลัวทุกข์ก็อย่าทากรรมชั่วทั้งในที่ลับที่แจง้งถ้าท่านจัดทาหรือทําอยู่ซึ่งกรรมชั่วถึงแม้จะหาะหนีไปก็ย่อมไม่พ้นจากความทุกข์ได้เลยอย่างพระโมคคัลลานะนะันยังไง เหาะได้แต่นี้กรรมไม่ได้ท่านคงเคยได้ยินชื่อพระโมคคัลลานะใช่ไหมอัครสาวกพระพุทธเจ้าผู้เลิศในทางฤทธิ์มีฤทธิ์มากเหาะเหินเดินอากาศได้แต่ก็ยังต้องถูกโจรทุบจนกระดูกแหลกเป็นเมล็ดข้าวสารหักเพราะในอดีตชาติเคยทุบตีบิดามารดานี่ขนาดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ยังต้องมาชดใช้กรรม ก็ในเมื่อท่านเหาะได้ทําไมไม่เหาะหนีไปล่ะครับพระคุณเจ้าทําไมจะไม่หนีท่านหนีมาเป็นร้อยๆครั้งพวกโจรก็ตามอย่างไม่ลดละในที่สุดท่านก็ระลึกถึงกรรมเก่าได้และราพึงกับตัวเองว่าหนีโจร น, นั้นหนีได้แต่หนีกรรมหนีไม่ได้ท่านก็เลยยอมให้โจรทําร้ายแต่โดยดีแล้วตายไหมครับ ถามอย่างสนใจใครรู้ถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างเราเราก็ไม่ต้องสงสยัยแต่ที่ท่านเป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ถ้าตายลักษณะนั้นก็เสียชื่อหมดท่านก็เลยใช้คาถาประสานกระดูกแล้วก็เหาะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลขออนุญาตปรินิพพานพระอรหันต์สมัยพุทธกาลถ้าจะปรินิพพานต้องมาทูลขออนุญาตพระพุทธเจ้าเสียก่อน ไม่งั้นปรินิพานไม่ได้ถ้าเหลือบมองนาฬิกาที่แขวนอยู่ข้างฝาขณะนั้นเวลาส1บอนาฬิกาจึงพูดขึ้นว่าเดี๋ยวไปรับประทานอาหารก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใหม่ท่านไม่มีธุระที่ไหนไม่ใช่หรือไม่มีแล้วครับกระผมตั้งใจว่าจะมาเรียนถามพระให้ครบเจวัดพอดีวัดนี้เป็นวัดสุดท้ายและผมก็ชัดจนติดใจ คุยกับพระคุณเจ้าและผมตาสว่างขึ้นมาอีกเป็นกองคงต้องหาโอกาสมาอีกให้ได้คุณหญิงรีบย่องลงมาข้างล่างก่อนท่านพระปูจะมาเห็นประเดี๋ยวหนึง่งรัฐมนตรีก็ตามท่านจะอาวาดลงมาเชิญรับประทานอาหารกันก่อนท่านบอกทุกคนที่อยู่ณที่นั้นพระโวเฮียวกราบสามครั้งและลุกออกไปเพราะเกรงภิกษุรูปอื่นๆจะรอ